วันนี้เป็นวันที่ห้าตุลาพุทธศักราช2553เมื่อวานวันก่อนสองสามวันที่ผ่านมาพวกครูบาตั้งหลายรู้สึกว่าวิตุ ก, กังบนเกี่ยวกับทางหลังวัดเขามีการตัดต้นยางกัน ตอนนก็ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่กู่บาของเราก็ไปตรวจตราดูกำแพงเพราะว่าน้ําวันช่วงฝนตกแรงนะ่ะช่วงฝนตกแรงตลวงพ่อก็ให้พระไปตรวจตราดูกำแพงว่ามันมีน้ามุดที่ไหนบ้างที่กำแพงมันจะโค่นล้มถ้าไม่ช่วยกันไปดูเดี๋ยวน้ํามุดกำแพง เข้ามาแล้วก็โบเข้ามาแล้วก็มันจะพร้อมที่จะโค่นล้มได้ง่ายๆตัวมันโค่นล้มซะ ก, ก่อนเราจึงไปเห็นมันมันก็ไม่ถูกหน้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังในช่วงนั้นนะพระนั้นก็ไปตรวจดูในช่วงนั้นก็มีปัญหาเกี่ยวกับสวนยางเขาตั้งหลังวัดเขาก็ถามดูเฉยๆแล้วเขาบอกเอ้ทางวัดเอารถออกมา แล้วไปติดต้นยางเขาแล้วไปตัดต้นยางเขาหรือไม่เขาเลยถามพวกพระก็เลยมาถามใครออกไปบ้างใครออกไปบ้างครับนั่นแหะผลในสุดก็พระไม่มีใครออกไปพระก็ยืนยันนะถามเด็กรถก็ไม่มีใครที่จะออกไปแล้วก็ถามเอว่ามันจะพิเป็นขมโมยเล็ดลอดออกไปหรือไม่ ถามตัวแล้วก็ไม่มีใครรับวานก็เลยให้ทั้งฝ่ายพระโดยทั้งฝ่ายผู้เฒ่าผู้แก่โดยผู้ใหญ่บ้านเอาไปดูเมันเป็นเรื่องใหญ่เขาสวนยางเขาต้นยางก็ใหญ่พอสมควรเขาปลูกมาสี่ห้าปีแล้วดูๆแล้วอาจจะวินิจฉัยได้หลายอย่างแต่เขาก็ถามว่าฝ่ายพระนะทั้งฝ่ายกูบาก็ยืนยันหลวงพ่อกับในฐานะเ็หัวหน้า หลวงพ่อก็ได้สืบสอบเอไปช่วยๆกันดูนะเพื่อความเป็นธรรมนะอย่าไปเบียดเบียนหลังแกชาวบ้านไม่ได้นะพอเราอยู่กับชาวบ้านเพื่อความเป็นธรรมทุกหมู่ทุกเราแต่เราไม่ได้ทําเราก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำํำถ้าเราทำไปแล้วพระในตัดตนดดด้นไม้ไม่ได้อยู่แล้วเด็ดกินไม้ไม่ได้แล้วเปกสู่พรากของเขียว ซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปลายจิตตีสินขาดไปข้อหนึ่งแล้วแต่นี้นพระอาจจะบอกเออมันเกกะ ก, ก็เอามันเลยตัดชักเละอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยไห่แต่ดูดูแล้วก็ดูสา ร, รูปแล้วมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่พระจะไปทำก็รู้รู้อยู่แล้วตนยางเขาเป็นราคาเท่าไหร่คนที่สูงก็เลยมาวิคอห์กันมาพูดกันเมื่อวาน แต่หลวงพ่อก็มีตาให้พระมารายงานหลวงพ่อก็เลยไม่ได้ใช่ว่ามไม่น่าจะเป็นของวัดแต่ว่าฟังตามรูปการแล้วไม่น่าจะเป็นของวัดแต่เอาเถอะหลวงพ่อในฐานะเป็นหัวหน้าจะปฏิเสธว่าร้อยเปอร์เซนไม่ใช่พระเนี่ยก็ไม่น่าจะพูดอย่างนั้นแต่หลวงพ่อเนี่ยเกินครึ่งว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์ซนไม่น่าจะเป็นพระแต่เอาเถอะสิบเปอร์เซนตนั้น ตั้งความสงสัยเอาไว้คือนี่ก็ได้พูดกันแต่นี่เกี่ยวกับวินัยของพระสงฆ์เนี่ยพวกคณะชาตญาติโยมพระใหม่ก็คงจะไม่รู้ในรายละเอียดบางอย่างคือพระวินัยของพระพุทธเจ้านะถ้าจะว่าไปศิลวินยัยกฎหมายกฎระเบียบกฎทางโลกกฎระเบียบทางธรรมกฎทางโลกเขาเรียกว่ากฎหมาย กฎระเบียบทางธรรมนะบสินกับวินัยแต่ตามไม่จริงอันเดียวกันทำไมจึงว่าโ ย, ยงถึงกันได้สมัยหนึ่งคือปาราชิกสีเนี่ยปาาชิกสีนี่คือข้อหนึ่งนะบอภิกษุขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยราคาห้ามาศกห้ามาศกเท่ากับหนึ่งบาทราราคาห้ามาศก เท่ากับหนึ่งบาทขาดจากการเป็นภิกษุขาดจากการเป็นพระเมื่อขาดจากการเป็นพระแล้วไปขโมยของเขาแล้วถึงจะมาบวชอีกคราวหน้าก็ไม่เป็นพระตลอดชีวิตเลยมันไม่เป็นพระโทษหนักขนาดนะั้นโทษประหารนะเอาคนตายโทษตัดคอแล้วจะให้ทำงานจะให้ไปที่ไหนจะให้เป็นคนดีมันเป็นมาไหมันเน่าแล้วมันนเถอะคนคนนั้นตายแล้ว เหมือนกับต้นพาลาหรือต้นตาลที่มันยอดด่วนแล้วนะมันอยู่ยังไงมันก็มีแต่เน่าลงเท่านั้นนะไม่งอกเงยอันนี้ก็เหมือนกันคือพระเนี่ยในาศาสนาเดียว่ามหมดสิทธิ์ที่จะบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาได้อีกคําว่าปาราชิกเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยนแะพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยข้อนี้ท่านวิท่านยกเรื่องประเด็นไหนขึ้นมาที่ท่านปรับอบวบปาราชิกข้อนี้เนย อันนี้ก็ปาลชิกข้อที่แรกนะก็ะคือภิกษุภิกษุยังไม่เคยทําภิกษุยังไม่เคยต้องอาบัตไม่เคยมีเรื่องราวเกิดขึ้นแต่องค์นี้เป็นปฐ ม, มปฐมปาราชิก ค, คือเป็นองค์แรกที่ต้องอาบัติปาราชิกข้อนีนะ้สาเหตุเพราะอะไรนะสาเหตุก็คือกุงราช จ, จคืเมื่อพระเจ้าพิมพ์ิสารจะสวยราช จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระบิดาพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าน้ำก็ดีดินก็ดีในถิ่นฐานที่ข้าพเจ้าปกครองข้าพเจ้าจะบูชาหรืออุทิตมอบให้แก่สมณะผู้ทรงศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือให้ใช้ทรัพยากรของประเทศชาติที่ข้าพเจ้าครอบครองให้ใช้โดยเป็นธรรมข้าพเจ้ามอบให้แก่สมณะผู้ทรงศีล ผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบใช้ทรัพยกรของข้าพเจ้าได้อันนี้ก็คือเหมือนกับพระเจ้าเป็นดินของเราจักครองราชท่านก็กล่าวสุนทรพจน์ที่เขียนเขียนมาข้าพเจ้าจะปกครองโดยธรรมลักษณะอย่างนั้น่ะอันนี้พระเจ้าเป็นพิสารท่านก็กล่าวสุนทรพจน์อย่างนั้นพอต่อมาท่านก็ปกครองพี่น้องประชาชนโดยธรรมเท่นี้คือเมืองส ม, มัยก่อน่ะ จะมีการซ่อมแซมเมืองขึ้นมาเนี่ยท่านก็มีคลังไม้ใช่ไหมท่านไปเลื่อยไม้หรือไปหาไม้ในป่ามาก็ม า, มาทําเป็นตัวไม้เก็บไว้ในคลังคลังหลวงคือเป็นคลังไม้สําหรับพระราชสวังตรงไหนมีปัญหาอะไรก็จะได้ใช้ไม้สมัยนั้นปูนซีเมนเหล็กมันยังไม่ได้ใช้ใช้ไม้เป็นที่พักพ้าอาศัยแต่นี้พระเจ้าเป็นดินนะก่อนให้เขา เลื่อยไม้มาไว้ในคลังหลวงเก็บไว้ะนะเมื่อตรงไหนที่มีปัญหาก็เอาเบิก ไ, ไม้คลังหลวงมาซ่อมแซมเบิกไม้มาซ่อมแซมอาคารหลังนั้นที่ส่วนราชการตอนนี้มีคลังไม้อยู่นีมีพระองค์หนึ่งคือลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยบวชเป็นพระเหมือนกันท่านก็ไปสร้างวัดพ่อสร้างวัดขึ้นมาแล้วไปเห็นไม้อยู่ในคลังหลวงก็เลยไปบอกกับ คนที่เฝ้าคลังหลวงนะพ่อในคลังอาตมาต้องการไม้เอาไปซ่อมเสนาชนะที่พักพาใจของอาตมาเอาไปสร้างกุติศาลาของอาตมาขอให้อาตมาเอาไปสร้างด้วยในคลังนะบอกว่าท่านได้รับอนุญาตจากพระเจ้าเป็นดินหรื อ, อยังเอ้าได้รับแล้วท่านบอกว่าเมื่อเราครองราชขึ้นมาแล้วนะ่น้ำ ม้แผ่นดินทรัพยากรของประเทศข้าพเจ้ามอบให้แก่สมณะในดินแดนของข้าพเจ้าแหมเนี่ยท่านมอบแล้วละ่ะเออถ้าพระเจ้าแผ่ดินอนุญาตแล้วผมก็ไม่ว่าท่านพระคุณท่านจะเอาเท่าไหร่เออเดี๋ยวอาตมาจะเอาไปสร้างเท่าพอสมควรเลท่านี้มันสร้างมันก็บานปลายไปเรื่อยๆสร้างสร้างสร้างแหมต่อไปไม้ในคลังหลวงจนพร่องเด็นี่ ไม้ในคลังหลวงพร่องพระเจ้าพิมพิสารก็เลยเดินไปไปตรวจไม้ว่าจะเอามาสอมที่พักพาใส่ที่ปราชสัดที่มันจารุดนะไปดูดูไม้จะเอาไม้อะไรมาสอมพอไปเห็นไม้ในคลังหลวงก็เลยตกใจใตกพระไทยเหมือนนเลยเอ๋อทำไมไม้มันจึงหมดถึงขนาดนี้วะก็เลยเรียกนายคลังมานายคลังมาก็ทําไมไม้ไมทําไมพ่องไปไหนนายคลังไม้นั้นก็บอกว่าสมณะสากยะบุตร ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าท่านมาขอเอามาขอให้เราไปให้ท่านทำไมท่านมาขอว่าท่านได้รับอนุญาตแล้วจากพระเจ้าอยู่หัวจากพระองค์ท่านฮะอย่างนั้นเหรอท่านมาอย่างไรท่าบอกว่าได้รับอนุญาตจากพระเจ้าเป็นดินแล้วที่มาเ อ, อาไม้ไปทำเสนาสนะเนี่ยเอเราก็ มีภาระมากกิจโทละมา ก, ก, มากเราอาจจะลืมก็ได้นะเราอาจจะลืมก็ได้เพราะว่าเราอาจจะพูดไปแล้วอาจจะลืมคำพูดตัวเองเอาเถอะขอให้ไปบอกพระองค์นั้นมาที่เราให้อนุญาตนะเราอนุญาตที่ไหนเมื่ อ, อไรเราพูดว่ายังไงที่เราอนุญาตนั้นก็เลยในบทพระองค์นั้นมาบอกว่าพระคุณท่านที่โยมโยมก็มีภาระมาก ที่จะอนุญาตไม้แก่พระคุณท่านนะ่ะอนุญาตที่ไหนข้าพเจ้าพูดอย่างไรกับพระคุณท่านที่ท่านเอาไม้ไปจากคลังหลวงนะ่ะพระองค์นั้นก็บอกว่าเมื่อพระองค์คลองราชวันที่พระองค์ครองราชเฉวยราชได้กล่าวสุนทรพจน์ว่าไม้ก็ดีน้ําก็ดีทรัพยากรแผ่นดินที่ข้าพเจ้าครอบครองข้าพเจ้ามอบให้แก่สมณะ ผู้มีศินในดินแดนของข้าพเจ้าะพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่านี่ข้าพเจ้าได้พูดจริงในวันนั้นแต่ว่าท่านนี่ยนะถ้าจะว่าสมณะผู้มีศินหรือไม่เนี่ยข้าพเจ้ายังไม่รับรองข้าพเจ้าพูดว่าข้าพเจ้าจะถวายแก่สมณะผู้ทรงศินแต่นี้ดูดูแล้วท่านจะเป็นผู้ไม่มีสินจะแล้วเพราะเหตุไรเพราะท่านไม่ได้รับอนุญาต เอาแต่เพียงเล่ดในตอนนั้นมาเราก็มาอ้างจุดนี้ขึ้นมาแล้วก็ว่าข้าพเจ้าอนุญาตอันนี้ท่านเข้าขายข้าโมยเสร็แล้วท่านทําไม่ถูกนะถ้าทาําอย่างนี้เพียงแต่เรื่องเท่านั้นนะข้าพเจ้ายังไม่อนุญาตไม้ในคลังหลวงเท่านั้นแหละท่า น, นเสียงนี่ก็ดังรละบทถถึงออกไปเลยท่า น, นี่เห็นพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยเห็นว่าพระนี่ไปเขโมยไม้มาสร้างวัด กราบ ท, พพทานะูพระพุทธเจ้าเถิดพระพุทธเจ้าก็ไปชมสงเถิดนะพอไปชมสงเถ็จแล้วทั้งกองไปนี่นนะเรียกผู้ที่ทรงกุศลวุฒิที่เข้ามาบวชเป็นตุลาการเก่าพิพากษาอาญาการเก่าผู้ถือกฎหมายในยุคนั้นสมัยนั้นที่เข้ามาบวชที่เป็นผู้กเกษียณอายุนะผูกคงแก่เรียนหรือว่าผู้ที่รู้กฎหมายของบ้านเมืองท่านก็ถามนะนี่แหละให้พวกเราสังเกตด้วยว่า กฎหมายก็ดีศินก็ดีวินัยก็ดนะีต้องอาศัยกันต้องอาศัยเกี่ยวเนื่องกันกับกดระเบียบของบ้านเมืองพระพุทธองค์ไม่ได้ตั้งเดียวพิจิตรทำอย่างนี้ต้องเป็นอาบัติเลยนะท่านก็ค์มเดว่ะท่านก็เรียกตุลาการศาลเหล่านั้นมามาท่านก็ถามว่าท่านทั้งหลายถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะ่ะถ้ามันผิดอย่างนี้นะ่ะเดี๋ยวนี้โทษบ้านเมืองเขาเนะี่ยขนาดไหนจะว่าโทษประหารนะ อย่างทุกวันนี้ก็ว่าค้ายยาเจ็บติดตั้งแต่แสนเม็ดขึ้นไปหรือว่าห้าหมื่นเม็ดขึ้นไปหลวงพ่อก็จาไม่แม่นนะต้องโทษประหารแล้วว่าปล้นทรัพย์เจ้าของแล้วค่าเจ้าของทรัพย์โทษประหารข่มขืนเขาแล้วฆ่าโทษประหารอันนี้ก็คือโทษประหารในเมืองไทยแต่สมัยนั้นอ่ะอดีตตุลาการศาลก็บอกว่า กาบทูลพระพุทธเจ้าว่าโทษในบ้านเมืองในยุคนี้สมัยนี้ผู้ใดข้อตามขโมยสิ่งของที่เจ้าข อ, ของเขาไม่ได้ให้ด้วยราคาห้ามาศต้องโทษประหารพระพุทธเจ้าเนี่แหละประชุมสงเลยก็ทตั้งวินยัยตั้งกฎขึ้นมาวะ่ะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดข้อตาม ขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ตั้งแต่ราคาห้ามาสุกตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปต้องปาราชิกคะนี่แหละคืออ้างอิงกันกฎหมายบ้านเมืองกับพระวินัยของพระสงฆ์เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราที่เป็นฝ่ายพระสงฆ์ก็ดีเป็นฝ่ายฆราวาสญาติโยมก็ดีคือพระสงฆ์ก็มีกฎมีระเบียบมีพระวินยัยคุ้มครองให้อยู่ในระเบียบวินยัย ถ้าขืนทําไปแล้วก็ว่าผิดลเลยทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ยุคนั้นสมัยนี้ก็ตั้งผิดมาอยู่ตลอดถ้าใครทําเกินอย่างนั้นขึ้นไปราคาตั้งแต่ห้ามาศกตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปไอันนี้แหละคือศินและวินยัยถ้าสรุปแล้วก็คือกฎหมายบ้านเมืองก็ดีศินคือสินของพระศิล2องรนี่ 8, สิ็ยคือปาลชิกสีสังขารที่เศษสบสาม อนยศสองนิสกิยปาจิตตีสสบปาจิตตีเก้าิบสองปฏิเทธนิยะสี่เสกิยวัตเจสห้ารวมเป็นสองยี่สบนับทั้งอธิกรณะสมัทะเข้ารวมเป็นสองยีสิ็ดินของพระจึงนับว่าเป็นสินสองยีดข้ออันนี้คือสินมาในพระปฏิโมกจะต้องขึ้นสวดทุก1ึงเดือนสิบห้าค่ำ ขึ้นสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำเร็วดับสิบห้าค่ำต้องสวดพระปฏิโมกทุกกลึ่งเดือนเจ้าที่ว่าพระลงอุโบสถพระลงอุโบสถนั่นก็คือการทบทวนศีลของพระแต่สวดเป็นภาษาบาลีแต่ถ้าเราต้องการรูตก็ต้องแปลแปลเป็นภาษาไทยก็อยู่ในในขละหน้ากันแต่นี้นแต่และแปลแล้วก็มีอีก <c oughs> นวโกวาทอีกแล้วก็วีใดมุกเล่มหนึ่ง แปลออกมาอีกและในพระไตรปิฎกต้นเหตุแห่งการต้องอาบัตนั้นนั้นบัญญัติเพราะอะไรมีเหตุอะไรจึงบัญญัติวินัยก็อยู่ในพระไตรปิฎกมีพร้อมบริบูรณ์เพราะนั้นสินของพระสงฆ์นี่สรุปแล้วก็คือกฎหมายคือกฎระเบียบปกครองสงฆ์เพื่อให้ความผาสุขของสงฆ์ถ้าว่าสงฆ์องค์ใดเขาตามออกนอกลูก่นอกทางแปลว่าองค์นั้นขาดสิน ไม่มีฮิริคือความละอายแก่ใจอวดตปะคือความกลัวต่อบาปไม่มีเป็นอรจิตาเป็นผู้ไม่มีความละอายต่อบาปเป็นผู้ไม่มีศีล น, นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านประนามเลยเลยโมฆะภิกษุอโมฆบุรุษโมฆภิกษุเป็นผู้เปล่าประโยชน์ในศาสนาของเราตถาคตเนี่แหละอันนี้สิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาเกี่ยวกับวินัยของสงฆ์ Once ความน่าศรัทธา ญ, ญาติโยมก็เหมือนกันควรจะรับรู้รับทราบไว้เหมือนกันวินัยเหล่านี้นะอันนี้หลวงพ่อยกประเด็นให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยนั้นด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่จึงบัญญัติวินัยเพราะนั้นพวกหมู่พระทุกองค์ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังะมีเรื่องเราอะไรเกิดขึ้นอย่าไปปักปั้มกันอย่าไปกล่าวโทษกันง่ายๆไม่ได้นะภิกษุจะแกล้งจวนรบภิกษุอื่น ด้วยอ ბ ัตปาราชิกไม่มีมูลต้องอบัตสังฆาทิเศษถ้าโจทย์อ ბ ัติสังฆาทิเศ ษ, เศษไม่มีมูลต้องอบัตปาจิตตีนะไม่ใช่ว่ามัวเมียแล้วจะไปโจทกันได้ง่ายๆไม่ได้นะผิดเหมือนเหมือนกันนะเหมือนกับเราไม่มีเรื่องมีเล่าคิดสนุกขึ้นมากับไปฟ้องคนอื่นเขานะเะพราะไม่มีหลักฐานอะไรจะไปฟ้องคนอื่นพอเขาฟ้องกลับพอไม่มีหลักฐานเขานะตัวเองก็เลยเผลอๆยังเสียค่าสินไหม ติดคุกได้ง่ายๆอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะฟ้องเขาโดยไม่มีเหตุผลโดยความอิจฉาพยาบาทใน จ, ใจิตใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดการกลองให้ดีซะก่อนที่จะพูดที่จะทําอะไรออกไปใช่ว่าพูดมัวเมียออกมาแล้วก็หลวมปากก็พูดพูดไปพูดไปแล้วก็ไม่ไม่รับผิดชอบในคําพูดของตนเองอันนั้นไม่ถูก น, นี่แหละคือกฎระเบียบการอยู่ของพระสงฆ์พระสงฆ์ต้องอยู่ด้วยกฎด้วยระเบียบ ด้วยพระวินัยอย่างหลงพ่อก็เหมือนกันถึงจะเป็นผู้ใหญ่ปกครองหมู่พกเพื่อนหลวงพ่อก็มีกฎระเบียบผู้ใหญ่อีกเหมือนกันนะแง่พระที่เป็นผู้ใหญ่ควรทําตอนอย่างไรควรมีวินัยอย่างไรรักศึกษากฎระเบียบอย่างไรผู้น้อยลงไปก็ต้องมีระเบียบอย่างไรอย่าไปก้าวไายซึ่งกันและกันนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเลยชัดเจนอยู่ในพระไตรปิฎกนะ คนนั้นถ้าเมื่อเราทําถูกต้องตามหลักพระธรรมในนัยแล้วพระเป็นผู้มีศีลแล้วไม่มีเรื่องราวแล้วเราก็ภาวนาง่ายเลยทำจิตใจให้สงบได้ง่ายเพราะเหตุไรเพราะไม่มีเรื่องราวถ้ามันมีเรื่องฟ้องร้องกันมีเรื่องโจทขานกันหาเรื่องหาราวใส่กันเนี่ยชารวนวุ่นวายจะไปนั่งภาวนาไม่มีทางที่จะสงบลงได้จะพิจารณาอะไรก็ไม่เป็นไปได้พูดอย่างนั้นได้ เนี่ยเรื่องปุคาระสั ป, ปายะเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากหลวงพ่อว่านะส ป, ปายะหกนะเน่ยเสนาสนะส ป, ปายะอาหารสัปายะอุตุสปายะอย่างเนี้ยปุคาระสั ป, ปาย ะ, อ, ปปายะอย่างเนี้ ара, ปป ย, ยแต่หลวงพ่อว่าเนยะบุคคลเป็นที่สบายเนะี่ยหลวงพ่อว่าเป็นหนึ่งแต่คนอื่นองค์อื่นจะจะพูดยังไงบางคนก็ชอบอาหารอาหารส ป, ปายะอาหารเป็นที่สบาย คือทานอาหารภาวนาจิตใจสงบได้เพราะทานอาหารบางคนว่าเสนาสนะสัปปายะเสนาสนะเป็นที่สงบสบายกับภาวนากับภาวนาทําจิตใจให้สงบได้อุตุสัปปายะคืออากาศเป็นที่สบายถ้าเมื่ออากาศสบายแล้วไปภาวนาที่ไหนก็จิตใจสงบได้ง่ายแต่ปุคลาสัปปายะบุคคลที่รอบข้างรู้ใจกันดูในที่สารที่ใดเป็นที่สบาย สถานที่แห่งนั้นกับภาวนาอยู่ด้วยกันขอร่มเย็นเป็นสุขนะ่ยแต่หลวงพ่อว่าปุขระสัปปายานะเนี่ยจะสําคัญกว่าทามันมีเรื่องทะเลาะกันแล้วจะไปนั่งภาวนาจะไ ป, ไปปฏิบัติธรรมหนะลวงพ่อว่ามันยากมากทีเดียวลนะ่ะพอว่ามันมันอยู่ในใจไนเะลยอลระแวงแข็งใจกันอยู่ตลอดมันคิดความไม่ลงใจมันอยู่ตลอดอยู่ในจิตในใจนะเพราะนั้นปุคระสัปปายะหลวงพ่อว่า นี่จะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเพราะนั้นการที่จะพูดจะกล่าวจะคิดอะไรในหมู่ในคณะในญาติในโยมในกลุ่มของเราเนี่ยต้องคิดดูให้ดีนะไม่ใช่ว่าจะล้วมปากแล้วก็พูดไปพูดไปแล้วก็หมายรับผิดชอบอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะก่อนที่จะพูดถ้ามันพูดผิดแล้วก็ต้องขออาภายัยต้องขอโทษในเรื่องนั้นๆเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคิดสนุกขึ้นมาแต่๋หาเรื่องย่อหยอกล้อกันเล่นนะเอา เรื่องอันไหนที่มาพูดคนนั้นก็นำไปคิดอยู่นั้นแอบอันนั้นคือความไม่ถูกต้องนะให้ระมัดระวังเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรื่องจิตภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากถ้าจิตใจมันหวนไว้ไกวแวงกมันไปคิดในเรื่องใดแล้วมันจะภาวนายากแอบมันจะทําจิตใจให้สงบได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําความเข้าใจกันแล้วปล่อยวางทิ้งแปลว่าจุดไม่ต้องคิดใ น, นเรื่องนั้นจบแล้ว ในเมื่อจบแล้วก็คือเรื่องทั้งหลายก็จบไปต่างองค์ก็ต่างภาวนาของใครของเราก็ร่ลมเย็นเป็นถุกในจิตในใจให้นี่แหละเรื่องพระวินัยแต่ว่าไม่สําคัญไม่ได้ศิลและวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากในการอยู่ร่วมกันถ้าศิลและวินัยอยู่ด้วยกันไม่เป็นเอกฉันกันแล้วทะเลาะวิวาทกันแล้วไม่ลงใจกันแล้วนะไม่เชื่อใจกันแล้วในวินัยแล้วนะจะภาวนาเลย จะทำจิตใจให้สงบจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลโดยมากจก่ยากนะวันนั้นให้พวกเราทุกหมู่ทุกเรล่าที่พูดท้งนี้ไม่ใช่แต่พระนะพวกคณะศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันที่อยู่ด้วยกันให้ระเวียงระวังให้สํารวมกายวาจาของตนเองให้เรียบร้อยให้เป็นผู้มีศีลนะถ้าเป็นผู้มีศีลแล้วนั่นล่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ ถึงจะภาวนาไม่เป็นก็ร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าว่าศีลไม่ดีเสียแล้วนะเดือดร้อนบุญวายไปมากทีเดียวเนะนี่ยวันนี้ว่าหลวงพ่อให้แนวความคิดสอนวิัยให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาศีลและวิยัยสำคัญชะไหนรนะับพร อ, อนุโมทนาให้พร